เทศอบรมพระวันที่สองเมษายนสองพันหาร้อยยี่สิบสองเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เด็ดเดี๋ยวมากดีมากเทศโรคหัวใจตายง่ายตายได้ทุกอิริยบาบรศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลผนิพพานเอฮิปัสิโก ให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายดูใจนี้ท่านพูดอาจารย์สิมสาเร็จถ้าจิตกลัวให้ไปอยู่ในที่กลัวๆแยกธาดเสือจิตก็หายกลัวการ น, นีเผ็ดร้อนมากปลุกใจดีมากท่านพูดหลักปฏิบัติอาหารเขากินได้เราก็กินได้เขากอคนเราก็คนจิตส ง, สงบราวกับเป็นเสียงคลางวาน เมื่อจิตเข้าถึงขั้นสุดสมมุติแล้วจึงเหมือนโลกไม่มีเพราะไม่มีในจิตจิตที่มีกิเลสจิตจึงเป็นเจ้าของเรื่องก่อกวนอยู่ตลอดเวลาการต่อสู้กับกิเลสแม้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เป็นทุกข์จงน้อมท่านมาเป็นคติกิเลสกับสติปัญญานี้แหลพอฟัดพอเหวี่ยงกัน ตอนท้ายหน้าบีพูดเรื่องแจกอาหารให้แจกให้สมำเสมอและให้แจกด้วยปัญญาความรอบครอบทุกคนปากท้องมีความจำเป็นเท่ากันไม่นิยมผู้อ่อนผู้แก่พันษาเทศถึงหน้าบีไม่มีพูดสนทนากันนี้อัดให้ใครก็ได้เพราะเด็ดดีมาก รู้ีิมันไม่ได่วันนะไปไม่รอดหรือเท่านั้นเองไปรอก็อยู่ดีับ ส, สิชนะไป้ิเนี่ยผู้รอดก็จะรอดผู้ไปผู้ไปรอดก็จะไปเพราะว่าจะถ้าว่าไปนะแต่แม่ก็ไม่สนัดใจที่ว่าจะไปอะไรอย่างนี้พจะไปป็ดีจะม า, ากด็ากดีจะอยู่ก็ดีมันไม่ถูกเท่านั้นแหละธรรมชาตินั้นมันต้อสมมุติเวลาเราแยกมาพูดทีมันก็ต้องสมมติมาพูด แล้วกับผู้ที่ฟังก็ต้องไม่พ้นที่จะคาดไปตามจนได้ดเนี่ยหรือว่าทำเป็นเป็นง่ายๆดูอันนี้อยู่เฉยไม่ได้เรื่องอะไรนะไม่ได้พูดเด็กจ้าอะไรอย่เฉยธรดาธรรมดบันนะบจะเป็นคนรับรู้นะคนรับ่าแล้วอ่อนเขไปอ่อนเข้าไปบาที่เดินอยู่ก็มีนะขุ้เนี้ถ้าเป็นก็มีเมื่อวันตื่นก็เดินไ ป, นป เ, ปไปเปก็ น, น หยุดซะก่อนมันไปตายได้ทุกอย่างนะเออว่ามันมันหมุนมาหยุดมันเติมม่หยุดมันมันก็ลงตรงนั้นเองนั่งปุ๊บลงปรงนั่นแล้วก่ลงนั่งเลยหมายแกว่าเราไม่ได้สติสตังมันจะล้มตลงตามไปนั้นถ้าเป็นอย่างที่เอาเรียกยังยเรื่องวิงเวียนมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันทบกัทันที ปฏิบัติต่อมันไม่ทันใจจะรู้กัรู้เป็นไรใ จ, จได้มีกําลังที่จะยกยอที่จะต้าทานมันได้มันก็ต้องล้มแต่ความรุ่มกับรู้อยนะ่างนั้นม่ไหมดิเอยิย่ตกยุยจารย์เรื่องความเป็นความตายเจ้ามองเป็นหนรือไม่เป็นบ้าะจริงใครมายุ่งเราไม่ได้หมอจะมารุมเราใครจะมารุมเราไม่ได้เราไม่ให้รุม มันไม่สนิทกับอัจาราิยของเราเลยมันทำลายอัจารายะใคุณไ้ทลายความจริงของเราที่เราปฏิบัติอยู่ดูมันทุกระยะระยะเราดูเราเองเราเป็นหมอเราเองนี่ว่าไงถึงขั้นนี้แล้วต้องเป็นหมอตัวเองเลยเรื่องหยุดเรื่องยาไม่เรื่อ ง, ยยองแล้วยุ่งของมันทำไมดูระยะวาระสุดท้ายที่มัน ถ้าจับจะจแยกกันง่ายดูเพราะเรียนก็เรียนมาแล้วปฏิบัติก็ปฏิบัติมาแล้วแล้วรู้ก็รู้มาแล้วแล้วความเป็นนี่จะหนีจากความรู้มาแล้วได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไปนตามสิ่งที่รู้แล้วเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นของจริงผู้ปฏิบัติแล้วต้องเห็นของจริงดังนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักพุทธเียวถุกสองสองจริงๆธรรมะธรรมะปฏิปันโนจะไม่นองหนือไปจากนี่เลยผลที่จะพึงได้ โลกวันกันมากทั่วโลกดินแดงเลเนี่ยเรื่องความตายโอ้โหเรื่องความทุกข์ความความเจ็บไข้เรืป่วยนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสําหรับโลกทั่วทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านคือเป็นธรรมกติธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่มีวันอะไรเลยเพราะเรื่องโรคเรื่องภัยจะขึ้นมากน้อยเป็นในลักษณะใดท่านไม่หวั่นแต่เรื่องของร่างกายมันจะเป็นยังไงนั้นมันเป็นอีกอย่างของมันใจเป็นยัง่ง อยากคิดหวั่ทางด้านจิตใจท่านไม่มีท่านอความหวั่นมาจากไหนเราเคยรอบหมดแล้วปล่อยหมดแล้วเรื่องอุปทานความมีมั่นถือมั่นในฐานเนี่ยขันแม่แต่ในจิตท่านก็ไม่มีแล้วคําว่าอุปทานอ่าอุปทานถ้าถือจิตจิตก็ต้องมีอะไรอยู่นั่นนีมันถึงถือความถือเป็นความดีเมื่อไหร่มันหนักมันในรอบมันก็ถือเมื่อรอบแล้วปล่อยเองไม่เคยปล่อยประทาม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 จายเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปซื้อก็ได้ออราคาแพงๆมีของดีๆราคาแพงๆมีทำบริเจ้าคจะเป็นตลาดทำตลาดแห่งความดีตลาดแห่งความฉลาดตลาดแห่งมรรคผลนิพานเออจะเอาอย่างไหนก็ได้เริ่มตั้งแต่ทานบา ร, รมีเอาทานการให้ทานเนี่ยก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งอย่างถ้าเราจะเทียบสินค้านะศีถิ่ะประเภทไหนถิ่นประเภทไหนทานประเภทไหน เ, เป็นสินค้าแต่ละอย่าง ภาวนาทานสีนภาวนาภาวนาประเภทไหนเอาเรื่อยเข้าไปสิจนกระทั่งสมาธิภาวนาอั ป, ปนาภาวนาเตือนะวิปัจฉนาวิปัจฉนาอ่อนก่อนจนกระทั่งถึงมหาเศรีมหาปัญญาวิปัสฉนาหรือวิปัจฉญายานอย่าง้าเข้าไปสร้างเข้าไปซาเข้าไ ป, าาไปแล้วจะมาจะถึงไหนถ้าไม่ถึงว่าผลนิพพานจะเป็นไหน นั่นหละอ่ะที่สินค้าที่ว่าสุดยอดอยู่ตรงนั้น ท, าทาาา้าทายอยู่รลอดเวลาคราจะรว่าท้าทายพี่เกหิปัคติโก น, นีทางประญาติท่านแปลว่าลองเรียกคนอื่นมาดูได้ว่าทำของจริงแต่ทางด้านปฏิบัติเราไม่ได้สนิทใจยอย่างนั้นสนิทใจว่าเต๊ฮิก็หมายถึงตัวของเราเราสอนเร า, านี่นะฮิก็ ขึ้นตะวังแล้วที่ท่านตรงมาดูที่นี่เนี่ยน้อมใจเข้ามาอยู่ที่นี่สู่ที่นี่ยาทรงอไปทะเอถ ล, ลายเรื่องบ้าเรื่องบอเรื่องสมุทัยมันล่าไปทางลูกทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสถูกต้ อ, องต่างๆแล้ ว, วก็เนาะเป็นธรรมารมเข้ามาผูกมัดหัวใจให้มาครุ่นคิดวุ่นวนายภานาจิตใจเพราะฉะนั้นเตหิตรงฉุดกระชากจิดเข้ามายาให้จิตส่งไปข้างนอกให้เข้ามาดูตรงนี้ว่างั้ น, นความหมายทางด้านปฏิบัติ เอหิตน้อมเข้ามาเอหิตไม่ว่าแปลว่าจงมาเข้าหมายถึงว่าน้อมเอาจิตเข้ามาหรือว่าล้างจิตเข้ามาชุดกระท่าจิตที่มันเลินเลิกเพือสติไปด้วยความเพลิดเพลินราคะตาาัณหาให้เข้ามาด้วยสติด้วยปัญญาแต่ทาควาเกินเท่้ไหร่ให้เข้ามาดูทำของกริงของกริงอยู่ที่นี่ทุกขังอเนี้ยสัจจังจริงอยู่ที่นี่สมุทัยะสัจจังจริงอยู่ที่นี่นี่รอ อันนี้อาจารย์ก็อยู่ที่นี่มากอะไรอาจาัง์คือสติปัญญาเป็นสําคัญก็อยู่ที่นี่ให้ดูที่นี่เอหิเอ ห, เอหิจงน้องเข้ามาที่นี่แน่เนี่ยจริงเหล่านี้ ท, าทา่าไทยตลอดเวลาชาติปีดูขาชาลาปีดกขามานำไปดูขัง ท, าทา่าไทยตลอดเวลานันทิราฆาตาาตตตตรายพินานินีเสื่อยูที่หลังกาลมาตฐานภาวะฐาวิภววฐาหาท้าไทยอยู่ภายในจิตใจนี้ตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ฮะธรรมดิสามารถมะสัะสงโปะแกงกินไม่ได้นะฮะ ท drugs, ่านไม่ได้สอนให้เอาสัมมาทิฏฐิสัมมาทังคตัวกับปเป็นต้นมาไว้สำหรับแกงกินเอามาไว้พิจารณาข่ากิเลพันกิเลพพิจารณาเข้ามาตรงนี้ให้น้องเข้ามานี่แหละเยจหิปฏสสโกภาพปฏิบัติให้มันเห็นประจักษ์ตัวเองนี้เจหิปัสสโกเรียกคนอื่นเข้ามาดูได้เพราะตามงงกิงนี่เดี๋ยวเขาหาว่าบ้านะนี่ยกตัวอย่างเพืเราก็พูดตามเรื่องของท่านเถอะเราไม่ได้ยกโทษท่านนะเราพูดถึงเรื่อง นะท่านอาจารย์ศิลป์ท่านเคยตั้งแต่ท่านบวช ด, ด้วยใหม่นู่นท่านไปแค่ามาเรียขึ้นสมองอยู่พี่ทำโพลทำโพลนาแกนี่เวลาทําำมาเรียขึ้นสมองแล้วก็ทําธรรมดาขึ้นสมองทำไมให้คนเป็นบ้าได้งไงก็ต้องเป็นบ้าแล้วแต่จิตใจงท่านผูกพันในธรรมมากนี่เพราะงั้นแม้ปีอาการจะเป็นบ้าอะไรท่านก็ไม่มหนีจากธรรม ความมุ่งมั่นก็อยู่ที่นั่นความใส่ใจก็อยู่ที่นั่นสัญญาลมก็อยู่กับธรรมเพราะงั้นแม้จะเผสือสติสลายท่านก็ต้องมุ่งประทางธรรมจิตใจส่วนใหญ่มุนประทางหลักธรรมตาว่าจิตใจท่านเองประทางโลกนี้จะต้องแสดงเรื่องโลกมาอย่างขายหน้าบอกไม่ถูกเลยแต่นี้จิตใจท่านเหนียวแน่นทงังในธรรมะท่านก็บอกว่าท่านสําเร็จแล้วท่านบอก่ะเราสําเร็จแล้วไปวินเทบาศก็ถามพระโสวละใครตำข้าวอยู่ที่ไหนพราะแต่ก่อนมีโคกระเดื่องภาษาเราเรียกว่าโวกมอง พวกกเดืองตามอยู่ตามบ้านตามเมืองไปนี่สาเร็จแล้วยังพวกนี้ใครยังไม่สำเร็จท่จานกบสภาบาเข้ไปก็สอนน่นจะเต็มที่แล้วแล้วไปนั้นสำเร็จแล้วยังเนี่ยานนั้นยังําสเสร็จอะไรอยู่กับสาเร็จมาปุณิภานั่งที่อยูอย่างเราวางย่างก็สอนเลยติดต่อมาเขาก็รู้เรื่องาว่าโอ้ท่านเป็นนันั้นแล้วพอมองเห็นสา เ, เร็จแล้วยังสาเร็จแล้วท่านก็ผ่านไปท่านก็ป่นั้นถ้าว่าไม่สาเร็จแล้วโท่านจะสอนอยู่นั่นเนี่ย นี่เราพูดเรื่องอะไรมันถึงไปสัมผัสเรื่องนี้ผมก็ลืมเงื่อนต้นเงื่อนนั่นนี้ไม่ตั้งใจจะมาพูดเรื่องท่านนะแต่มันมีเรื่องสัมผัสเข้ามาก็เลยมาพูดบเรื่องพูดเรื่องสติปัญญาไม่ไปอย่างนั้นอ๋อพูดเรื่องท่าทาท่าทายให้เขามาดูเขาทำของจริงเน็นไม่เป็นงั่นเนี่ย อ่ายังไม่ทำเล่เรื่องทํามานที่ทำเลจแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะหายใจใครมาดูทําห้องกินอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้เกิดมาเขาไม่เคยเห็นทำของกริงเขาจะทําห้องกินมาจากไหนมารู้ผู้ปฏิบัติเ ท, ท่านั้นนี้จะรู้ทํำ้องกริงสอนตัวเองให้มันรู้ทําห้องกินให้เห็นทําห้องกริงพี่ทห้องกินอยู่ที่ไหนมันอยู่ทางโน้นทางนี้ที่ไหนนี่มันอยู่ที่นี่เป็นหลักใหญ่ทั้งทั้งพันมากอยู่ที่นี่เรื่องภายนอกก็มาปฏิเสธนะ เรื่องชาติพิวขาชาลาบพูวขาให้คนแก่เก็บตาเย็บใบเยี่ยมประชา้าก็เป็นทำมาหนึ่งแต่ทำต้ําพันในแท้อยู่ที่นี่เวลากิจส่งออกไปข้างนอกมันไม่ได้ส่งไปเพื่อเพื่อทําอย่างนั้นมันส่งไปด้วยความรื่นเริงมันถึงเพราะอำนาจของกิจปัญหาที่ว่าการวัฒนาวัฒนาหรือว่าศานาบางที่กล่าวมานี่เพราะงั้นึงให้ฉุดรากมันเข้ามาเอฮิเอฮิส่งมาที่นี่มาดูที่นี่ทําำโมกิงอยู่ที่นี่ท่าไทยตลอดเวลาไม่มีเวลาสงบเลยเราจะดูอันท่าไหนก็ดูอ่า ดูสัจจะแล้วก็ดูจะดูทุกขศาสตร์ก็เห็นแน่ชัดสมุทัยศัตร์เป็นตัวสาําคัญที่ป้อนอาหารให้ทุกกำเริบขึ้นเลยเลยนั่นแหะตัวสมุทัยตัวข้างขวายเลยขั้ขวายหาอาหารผิดเข้ามาเพราะฉะนั้นมากจริงต้องตัดข้อมือสมุทัยเลยด้วยการคิดค้นพินิจพิจารณาเห็นตามความสัดความจริงของสิ่นต่างๆจิตเราก็ปล่อยไปเองวางไปเองปล่อยไปเองนี่ถึงภาพปฏิบัติในภาพการพิจารณาอย่างนะ เหี Here, e ้ยเอฮีปัสิโกโอปันญิกเราเห็นอะไรอะไรก็าตามจะยินผ่านทางทางหูทางตาให้น้องก็มาเป็นอัดเป็นธรรมเห็นเขาหัวเราะเห็นเขาร้องไห้หัวเราะด้วยเหตุผลปรากฏกายอันใดด้วยความรืนม่นเริงมันถึงเพราะอำนาจราคาตัญหาหรือหัวเราะเพราะอะไรเพื่ออะไรอืมีความโศกเศร้าโศกอะไรร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์กันไปวิญญนะน้องเข้ามาน้องเข้ามาเห็นคนแก่ก็น้องเข้ามาหาตัวเห็นคนตายก็น้องเข้ามาหาตัว เรื่องความทุกข์ที่แสดงขึ้นแต่ผู้ใดก็ตามจนถึงกับแสดงอาการออกมาความร้องโผมร้องไห้นี่ก็ความอํานาจของทุกข์ที่มาจากสมุทยัยเนี่ยเราก็น้องก็มาให้เห็นโทษของสมุทยัยตัวสําคัญซึ่งสามารถยังทุกขแสดงออกอย่างเปิดเผยโดยไม่มีอั้มอายคนผู้หนึ่ผู้ใดเลยธรรมดาการน้องให้เป็นเรื่องที่อายกันแต่เวลามันเป็นขึ้นมามันอายไม่ไม่ได้เพราะพลังของวิริมันมากกว่าพลังของทุกข์มากพลังของสมุทัยมันมาก มันก็ทําให้หัวเราะได้ร้อมันทําให้ร้องห่มร้องไห้ได้ไม่อายใครแหละเอาเข้ามาสินี่ผู้ปฏิบัติต้องเป็นหนี้แล้วผู้มาปฏิบัติทั้งหลายต่างมาจากสำนักต่างๆก็ให้สำเนียกศึกษาให้ดีตามีให้ดูให้ละเอียดละอ่ทุกสิ่งทุกอย่างก้าวเข้ามานี้เพื่อมาศึกษาตาให้ศึกษาให้ดูหูให้ศึกษาให้ยินได้ฟังใจให้ชิดให้อ่านใจจองทุกอย่าง ส่วนสุดพิสัยเต็มความสามารถของตัวเองนี่นีน่เชื่อว่าผู้มาศึกษาไม่ใช่จะมาคอยศึกษาตั้งแต่ขนาดที่ท่านเทศท่านอธิบายทําให้ฟังหรือนโม ต, มตัดสาเขากำลโตขึ้นภาสิทธิ์ได้ถึงว่าทัานเทศอธิบายให้ฟังนี้จื่อว่าเทศสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเพื่อจะเป็นกติเสียเราผู้มีสติปัญญาความสดับอยู่นั้นแหละท่านเรียกว่าธรรมหูเป็นธรรมตาเป็นธรรมหูเป็นวีไนตาเป็นนี่ไหนหูมีสติมีปัญญานั่นก็เป็นธรรมเป็นนี่ไหนไปได้ หูไม่มีสติปัญญาก็ไผิดอะไรก็หูกระทอหูหมอกกระทะไม่เกิดประโยชน์มาอยู่สักเท่าไร่มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์มัน ไ, ไม่ถูกกับการมาอบรมศึกษ า, าให้มุ่ง ม, มุ่งอย่างนี้อย่าลืมเจตนาของตนที่มาการปฏิบัติญาหนี้จากหลักนี้เอามัดมันเข้าไปไล่มันเข้าไปธรรมดากิเลสมันต้องเป็นค่าสึกกับธรรมเสมอไปถ้าเราจะ ขยับความเพียรข้ากิเลสจะต้องต่อสู้เราทําให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอดีไม่ดีนูนทั้งทั้งติเกเรสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานสักทีอ่ะแต่มันก็ถูกที่มันว่าอยมรรคผลนิพพานไม่มีเน่ยจะไปทําอะไรมันเสียเวลาเวลาเหนื่อยเปล่ามันก็โกหกเราได้สบายเพราะกิเลสมันเคยเห็นนิพพานที่ไหนมันมีแต่กิเลสมันเห็นแต่เรื่องกิเลสพวกกิเลสมันจะไปเห็นนิพพานที่ไหนมันมาโกมันเก่าเรื่องนัมาโกหกเราแล้วก็เชื่อมัน คือว่าจะทำความดีแล้วมันต้องมีมารท่านหวัก ม, ม, มารมันฮะกิเลสสมานเป็นตัวสงคัญมากยิ่งกว่าขันธ์ามามมันมันมีแง่มีเล่มีเหลี่ยมหลายสันพันคมที่จะหลอกเราให้เชื่อตามให้เล่งทำพระพุทธญาเสมอทำทั้งหมดแปดหมื่นสี่พรนพระธรรมขันธ์นี้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นแสดงไว้เพื่อมรรคนิพพานแสดงไว้เพื่อปราภิเล ทำทำไมจึงต้องปราบกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวมารในการดําเนินมรรคผลนิพพานของผู้หวังความพ้นทุกข์กิเลสเป็นมารเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องปราบย่าลืนธรรมพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าความระลึกถึงกิเลสคอยตามกิเลสออันนี้เป็นสําคัญอยู่มากอะไรก็ตามให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสมอนังที่พระเจกสูดท่านว่าไว้นั้นนั่นโลบภายนอก พวกอสูอ์อกศินอะไรลบ ก, กันเราก็เห็นในตำลับตำลาอันนั้นเป็นหนึ่งแล้ว ก, วกระพู่อทิจ่าท่านก็ทรงสอนให้เลึกสอนภิกษุก ส, สงฆ์ท่านยกข้อเรียบเทียบขึ้นมาพวกอสูรที่ลบ ก, กันกับพวกเทวดาอะไรผมก็ลืมๆนั่นแหละเวลาเข้าไปอยู่ในป่าม้าท่านวอาอรัญเยรุขมูเรวาสุนยากาเรวพิโคอนุเรเรถัมงบุทังพยังตุมห้ากโนติยา เมื่อเวลาท่น อ, อยู่ท่านทั้งหลายไปอยู่ที่ตามป่าตามขาตามเรือนว่าก็หายลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วถ้าหากลึกถึงพระเจ้ามาแล้วแล้วก็อัตถะธรรมังเสรยยถานิ้ญาณิกังเีเดชิตังหาว่าแลลึกถึงพระพุทธเจ้าจิตยังไม่สงบลงได้ก็ให้พึงแล้วลึกถึงพระธรรมหากว่าแลึกถึงพระธรรมจิตยังสงบไม่ได้อัตถะสร้างคังเสรรยตะถปุญญาเกตังโ น, นตระนิ ให้เรลึกถึงพระสงฆ์แล้วความขนพองเสีของกล้าวความกลัวต่างบาดเจ็บต่างๆจะหายไปนี่ท่านบอกอะไรทำให้ความสขนฟองเสี่ยงกล้ามันอะไรทําให้เกิดความขนฟองสี่ยงกล้าวไม่ใช่ความขนพองเสี่องกล้าในทางที่ดีเพราะความกลัวตัวสั่นกลัวเปรตกลัวผีกลัวทุกอย่างละขึ้นชั่วมนุษย์กี่กี่มีที่เด็ดแล้วมันต้องรอให้กลัวทุกอย่างใบไม้ร่วงมันก็ว่า ว่าเสือใบไม้ร่วงมันก็ว่าผีมันว่าเปรตทั้งๆนี่ไม่เคยเห็นเปรตเห็นผีหรอกมันนักปั้นขึ้นมาหลอกกิเลส จ, จริงว่ามันเหลงขคมมากนี่แล้วให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นเลืกถึงพระธรรมเลือกถึ ง, ร ะ, ร, ร, ถงระสงฆ์องค์ใดก็ตามรัตนนาใดก็ตามเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นแล้วจิตจะหวนจะปราศจากความอันไหวย่อยลําดับลําดับอันนี้เราเคยเป็นแล้วไม่ใช่นํามา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 สิบตัวยี่สิบตัวลราให้ร้อยตัวพันตัวเข้ามาเถอะจะเดินเข้าไปลูบครัมหลังมันได้อย่างสบายทีเดียวอ่ะชื่อขึ้นที่ว่าสัตว์ตัวไหนตัวที่ว่าถือว่าเป็นภัยที่สุดมันจะเดินเข้าไปลูบครัมหลังได้อย่างสบายไม่สะทกสะทานเลยความรู้สึกนั้นว่ามันทําอะไรเราไม่ได้แต่ความจริงมันจะทําอะไรก็ตามไม่ทําอะไรได้ก็ตามนะ น, นั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นความเป็นผลของจิต ที่ปราศจากความกลัวแล้วยังเกิดความฆ้าหันชันไข่ขึ้นมาในเวลานั้นด้วยนี่เป็นสักขีพยานมาจากที่ว่าอนุสเรตธรรมบุธทางพลังจุมเฮากับระยะกันตุปุ่มอรณียะตังแต่อรัญเยรุขมูเรวาไปอยู่ตามลุคโคลมูลต้นไม้หรือเรือนว่างสุนญากาศเดี๋วเราพิฆาตนะก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามที่เป็นสลฐานที่น่ากลัวให้พึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์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 มันมันเปลี่ยนในขณะนั้นแหละในขณะที่เราฝึกทรมานมาั้งทังที่มันกลัวจนตัวสั่นนี่ได้ทำมาแล้วเห็นผลมาแล้วอย่างนี้จึงกล้าไปอยู่ตามป่าตามเขาที่กลัวกลัวเท่าไรยิ่งไปพราเราเคยได้กำลังจากที่กล่าวนี้เสือเป็นต้นนี่หละคำว่าลึกถึงพุทโธไม่ใช่เพียงเลือกเพียงงูปลาปลานะเลือกอย่างเลือกอย่างถึงใจผู้ปฏิบัติเอาตัว ชีวิตมอบไว้กับพุโทโธเลยเสือจะกินก็กินเถอะอะไรจะกินทำอันตรายก็เถอะจะไม่แยกตัวออกจากทำบทใดบทหนึ่งนี่เลยตายก็ตากับนี้จิตแนว่วมีพลังนี่เป็นขั้นหนึ่งของผู้ฝึกเริ่มพึงอดอบรมขั้นที่สองเมื่อจิตเป็นสมาธิแน่หนาของมันก็มีเรื่องความกลัวเหมือนกันแต่จิตตั้งปั๊บกับฐานทางความมั่นคงฐานท่งสมาธิคือความสงบนั้นไม่ยอมคิดส่ง จิตใจส่งไปอื่นมันก็อยู่ได้เหมือนกันนี่ก็ดีนี่เป็นขั้นหนึ่งในการพิจารณาทีนี้ขั้นที่สามนะคือขั้นหนึ่งอยู่กับคําบริกรรมขั้นที่สองอยู่กับสมาธิคือฐานของสมาธิคือถ้าลงจิตลงไปสมาธิจริงๆอย่างเต็มตัวแล้วจิตจะไม่ปรุงไม่แตกแน่วไม่ใช้กิริยาถ้าจิตเป็นอั ป, ปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอั ป, ปนาภาวนาคือถอยตัวออกมาธรรมดา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 พีิจารณาเรื่องปัญญาปัญญาธรรมดาปัญญามต้องค้นขวานี่เมื่อกิดแยบออกไปคิดถึงเรื่องจัดร่ายมีเสือเป็นต้นมันจะนำเสือนเข้ามาแยกธาตุกันทันทีเลยกลัวอะไรมันเสือกลัวผมหรือกลัวขนมันหรือกลัวเล็บมันหรือกลัวฟันมันหรือกลัวอะไรมันกลัวหางกลัวตัวกลัวอะไรอะไรมันไล่กันไปไล่กันไปย้อนเข้ามาหาเราไล่ละย้อนเข้ามาหาเราเอ้งหมดกลัวขนมันขนเราก็มีเหม็นกลัว กัวเขี้ยวมันเขี้ยวเราก็มีเหม็นกลัวกลัวตามันตาเราก็มีเหม็นกลัวนะแล้วก็ออกจากนั้นแยกธาตุมันอีกอันเหล่านี้เป็นธาตุอะไรพิจารณาแยกธาตุออกจนละเอียดละออรนิดตามเรื่องของทางวิปัสสนาเวลาเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมันก็ต้องเดินทางนั้นเหมือนกันจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นเสอือมีแต่เรื่องธาตุล้วนๆมันแยกชัดนี่อันหนึ่งเป็นขั้นที่สามนะแล้วพูดเพียงแค่นี้พูดย่อๆนะ คือเรื่องอุบายวิธีของปัญญามันเป็นอุบายของแต่ละคนนี้พูดกันไม่ได้เป็นเรื่องเจ้าของจะแยกพิจนาเอาในเมื่อจิตถึงขั้นนั้นๆแล้วจะต้องนําขั้นอนนั้นออกปฏิบัติต่อสิ่งมาเกี่ยวข้องเช่นเราไปอยู่ในป่าในเขาได้ยินเสียงเสือก็หุ่มก็ตามไม่ก็หุ่มก็ตามกลัวเสือก็ตามมันจะแยกธาตุจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจและเดินสบายไม่มีอะไรเห็นตธาตุในโลกนี้แหมนี่อันหนึ่งแล้วว่าที่สี่ที่นี่นะเมื่อจิต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 กำหนดภาพอะไรไม่ปรากฏนี่ขั้นปฏิบัติตรงนี้กาหนดภูเขาทั้งลูกมันก็มองเห็นด้วยตาก็เป็นภูเขาจริงแต่ว่าจิตมันทะลุไปหมดคือว่างไปหมดเลยเมื่อกาหนดอะไรขึ้นมายบเหมือนกับฝ้าแม่เท่านั้นเป็นภาพสิ่งนั้นขึ้นมาขณะเดียวกับฝ้าแรกแล้วหายเงียบหาเงียบหายเงีย บ, ยยบเมื่อเป็นชนี้จะ ไปแยกคาดแยกขันอะไรแล้วมันจะกลัวอะไรพอแยกออกมามันก็รู้แล้ววันนี้คือภาพทึ่งเกิดขึ้นจากสังขารจ้าของภูมหลอกจากของเองพอแยกออกมามันก็เกิดขึ้นจากใจนี้มันทันที่นิ่สติปัญญามันทันจะเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกมาจากใจภาพหลอกตัวเองหลอกตัวเองภาพดับไปพร้อมดับไปพร้อมก็รู้ว่าตัวนี้เป็นเสือใช่ไหมตัวสังขารท่านี้เป็นเสือหลอกจากของตัวสังขารนี่เป็นหมีตัวสังขารนี่เป็นงูตัวสังขารนี่เป็นเปรตตัวสังขารนี้เป็นผี ตัวสังขารนี้เป็นเสือต่างหากจริงๆแนละ้วนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากอันนี้หลอกเรามันก็รู้ได้อย่างชัดๆแยบแยบหายตัวนั่นอันหนึง่งนี่เป็นขั้นหนึ่งเอาที่นี่ขั้นสุดนี่หมายถึงว่าสุดความสามารถของของผู้สแสดงนะขั้นนี้ยังมันยังเป็นขั้นดําเนินขั้นนั้นขั้นสุดกําลังสติปัญญาของผู้ดําเนินของผู้อธิบายอย่างนี้ก็ถูกนะพอถึงขั้นนั้นแล้ว อ้าเพราะยับขนาดนั้นนะมันรู้ทันทีกับนั่นเลยยับพับดับพร้อมแม้ไม่ปรุงออกมามันก็รู้อยู่แล้วว่าขันปรุงออกมามันก็เป็นการประกาศว่าขันกระดิกตัวเท่านั้นก็ไม่มีอะไรหมดเท่านั้นไม่มีถ้ามีทางอะไรเละที่จะต้องต่อสู้ต้องพิจารณากันอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติมันยับยับยับยับเหมือนกับแสงยิ่งห้อยเท่านั้นเองหนึ่ง หนึ่งถึสามสี่ขั้นเนการพิจารณานี่คือตาเป็นไปตามเรื่องของจิตกําลังของจิตโพลของจิตของธรรมที่มีในจิตเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่อย่าคาดเป็นอันขาดนะให้จะของนำไปพิจารณาส่วนไหนที่ควรคาดจะเป็นกติเตือนใจได้สอนจัดสนัะได้ให้คา ด, คาดแต่ส่วนนั้นคาดแล้วจะเสียได้เกิดเป็นความสัมพันธั้นหมายขึ้นมาโดยถืออันนั้นว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นมรรคผลขึ้นมาแล้วอันนั้นผิดอย่าไปยืด แต่เป็นเรื่องขอ ง, อ ต, องตัวเองเกิดขึ้นแล้วมันก็วิ่งรับกันเองครูบาอาจารย์จะเคยสอนไว้กี่ปีกี่เดือนไม่สําคัญสําคัญที่ความจริงปรากฏขึ้นมาในเราในขั้นใดภูมิใดและธรรมะที่ท่านเคยแสดงให้เราฟังแล้วจะมาโผล่ขึ้นมารับกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างหนังสือที่ท่านอ่าอยู่ในคำเพียงก็เหมือนกันในขณะที่เราพูดปฏิบัติเพื่อความสงบนี้เราจะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องปริยัตอะไรทั้งนั้นนอกจากจะพยายามทํากิจของเราให้มีความสงบ ลโดยลำดับจนกระทั่งเก้าออกทางด้านปัญญาทีนี้เมื่อเก้าปัญญามากน้อยแล้วจะเริ่มเหรที่นี่พราเริ่มเห็นเห็นความจริงขึ้นโดยลําดับเมื่อเริ่มเห็นความจริงแล้วมันก็จะวิ่งเข้าสู่ปริยัติท่นนินะประสานเอามาประสานกันเอามาแยกมาแยกเอามาเทียบมาเคียงยิ่งกิดหมุนตี้วเข้าไปเท่าไรแล้วปริยัติกับปฏิบัตินี่แยกกันไม่ออกจะวิ่งประสานกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุปั๊บพอได้ความได้สักิพยานแล้วปล่อยภาพปล่อยพาพปล่อยภาพปล่อยภาพเลื่อยเลยนี่เราก็เลยได้ที่ท่าน พ่อแม่ครูวิจารณ์มั่นของเราได้แสดงได้สอนเราตั้งแต่เราวันเริ่มแรกที่เราไปนีส่สมัหาก็เรียนมามากจนได้เป็นมหาอย่า ว, ว่าผมประมาททำมรรคญาณนาหันหวาผมไม่ลืมเลยเหมือนกับเทพ อ, อัดไว้เพราะเราไปด้วยความสนใจอย่างยิ่งยิ่งเป็นวันแรกด้วยซ้ําซึ่งเป็นวันที่จะจดจ่อมากที่สุดในธรรมของท่านนี่ย่ววาเมื่อผมประมาทนาให้ยกบูชาไว้ก่อน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 นั่นแหละปริญญาจะเกิดประโยชน์จะเกิดตอนนั้นจะช่วยส่งเสริมได้อย่างเต็มที่ทีเดียวแต่ระยะนี้ยังไม่เกิดประโยชน์ยานำปริญญาเข้ามายุ่งเจ้าของจะเป็นเรื่องยุ่งเจ้าของเองทำนั้นท่านเป็นธรรมแต่เรายังไม่เป็นธรรมล้วนั่นแหละมันจะเป็นลิงทอดแผลท่านแผลนั้นเป็นเครื่องทอ ด, ทอดปลาคนเอาไปทอดตามันกินได้เท่าไหร่แต่ลิงมัรู้เรื่อง แห่ไปทอดตามันก็พันดึงไปทํามีมากแั่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเขาเลยกลับการเอาทำนั้นเข้ามาทําลายตัวเองเสียไปใช่เป็นความสํคาคัญนั้นน่ะพาให้เสียความสําคัญผิดในสัจธรรมนั่นก็เสียนี่ได้พูดถึงเรื่องสัจธรรมล้วพูดนอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้เพราะความจําเป็นจรนิงอยู่ที่สัจธรรมขอให้ต่างองค์ต่างมุ่งลงไปในสัจธรรมนี้เถอะ อย่าไปหวังเอาดีเอาชอบเอาสวยเอางามเอาความสุขความจเจริญอะไรกับโลกนั้นเลยเออแล้วดูเธอไปอยู่ที่ไหนมีแต่ผาช้าเกอนไปหมดผู้ที่ตายก็ตายไปผู้ที่ไม่ตายความทุกข์ความทรมานอบนเพอ้อละเมอกันทั้งคนจนคนมีค น, คน โ, งโง่คนฉลาดมนุษย์เหล่านี้เป็นตัวบ่นที่สุดไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำอะไรเลยความรู้วิชามากน้อยเพราะเหตุใด เพกิเลสมันเหนือความรู้เหล่านี้ที่มีอยู่กับมนุษย์เรามันจึงทําให้มนุษย์ได้เกิดความดือดร้อนถึงกับต้องบุ่มขึ้นมาอือเฉรษฐทุกข์อยู่ภายในาจิตใจแล้วยังไม่แล้วยังต้องระบายออกมาทางคําพูดอีกแทนที่มันจะเบาบางมันก็ไม่ได้เบาบางถ้าไม่แก้ต้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาคือตัวกิเลสนี่นี่เราตั้งใจเข้ามาต้งแก้ทุกข์แล้วภายในาจิตตัวของเราเองเพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบหลบนั่นเสือกนี้ ซ่อนที่น่อนที่นี่นนนไม่ได้เรือกเดวนักรบต้องรบเรื่อยไปไม่หลบไม่หลบฉากอนอกจากหลบฉากกี่เละแล้วต่อยที่เละเท่านั้นไอ้หลบลงไปถึงนอนแผ่สองหลืงนี่ใช่ไม่ได้เลยมันต้องเป็นนักสู้พิณาให้จริงให้จังทําอะไรให้มีสติให้มีความจดจอ่อให้มีความจงใจไม่ว่างงานนอกงานในเป็นสิ่งที่ฝึกสติ ฝึกนิสยัยฝึกปัญญาของเราไปในตัวให้พิจารณาค่อควรยาสักแต่ว่าทําถ้าสักแต่ว่าทําแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นความเพียรก็สักแต่ว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินกิยาก้าเดินในกรมเดินจริงแต่ว่าจิตมันละเหียได้ร่อนกระทำไหนก็ไม่รู้นั่นตัวจิตตัวผู้จะทําความเพี่ยนมันไม่ทําเสียจะว่าไงนั่งอยู่ก็เหมือนกันนั่งไปนั่งมาก็สับประงกพกนั้นหลับทั้งนั่งก็มีถ้าไม่หลับก็ลอยไปตาม ทัญญาอารมณ์ไม่อยู่กับที่แห่งงานที่ให้ทํานั่นเลยนี่ก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นั่งพัฒไราตายทิ้งเปล่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เดินจงกรมจะเอาจนฝ่าเท้าแตกมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันสำคัญอยู่ที่สติควบคุมงานที่ทํำถ้าในขั้นปัญญาเวลาพิจารณาปัญญาก็สาคัญอยู่ที่สติกับปัญญาประกอบงานนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันอยู่เสมอจนเห็นเหตุเห็นผลไม่ว่าอิยาบายุตรใดนั่นคือความเพียนทั้งนั้น นี่แหละความเพียรที่แท้จริงในวงปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทำเพื่อพระสอนอย่างนี้เสมอท่านไม่ทรงชมเชยไม่ทรงรับรองบุคคลผู้ปฏิบัติแบบรอแหล่ต่อความล่มจมให้จีเดียดเหยียบย่าทํำลายด้วยความขั้งเผลอด้วยความอ่อนแอทอดแท้ต่างๆนั่นไม่มีในหลักธรรมพุทธเ้าพระ พ, พุทธเจ้าเป็นศาสนาเพราะความขยันหมั่นเพียรความเอาจริงอําจังเอาจัง ความสามารถฉลาดรู้ทุกอย่างยังไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าพุทธังสนังกระฉามมีนี้กระเถือนโลกแล้วเป็นครูของเทวดาธรรมุสังหลายได้แล้วอะไรโลกทั้งสามมีใครเป็นศาสดาของโอ้มีไหมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามนี่กามาโลกรูปโลกอรูปโลก น, นะแสดงมาทั้งเกศศรัทธาเทวดามือสาดังสานางัานางเป็นครูทั้งเทวดาธรรมุสังหายแต่เขาเป็นครูสอนเราคนเดียวยังไม่ได้เรื่อง ลองดูสิมันห่างกันไหมกระวู้ดเจ้าไกลกันไหมเรามีคนเดียวเท่านั้นน่ะสอนคนเดียวเราคนเดียวก็มาได้มีจิตดงเดียวนี่สอนจิตดวงเดียวยังไม่ได้เนี่ยมันหลอกตลอดเวลาที่เรียนมันอยู่ภายในจิตใจหัวเราะเราเดินจงกลมมันก็หัวเราะนั่งภาวนาไปก็หัวเราะพอทําให้มันหัวเราะมันก็หัวเราะเราี่แต่ทำให้มันร้องไห้มันก็ต้องร้องไห้ทําให้มันเพ่นมันก็ต้องเพ่นทําให้มันตายมันต้องตายยี่เลยอืมโอทางพัตวาสุขังเสติเนี่ย ขาความโกรธแต่ถ้าอยู่เป็นสุขเนี่ยแต่ว่าขาดกิเลสเดนถ้าอยู่เป็นสุขมัต้ออันเดียวก็ดีเ่ะ่ะ ค, ความโกรธความความโลภ ค, ความหลงเป็นกิเลสข้าสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นสุขของข้ามันอลุดงิไปไปอ่าอาจารย์ปัญญาที่บ้านมันเร า, าปรไปรู้อะไรของกระพงเห หลัปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาชัดๆผู้ปฏิบัติทั้งหลายควรถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์ให้ดีที่นํามาปฏิบัติอยู่ในวัดในี้ก็นํามงมาจาับถ้าอาจารย์ใดท่านจารยั่นเองไม่นนอกเหนืออะไราจากนั้น หักใจิตใจให้จริงจังอย่างทะเลถลายเป็นพระหลักรอยมันมีความจริงใจอยู่ภายในใจความจริงใจนั้นหละมันเป็นหลักเป็นเกณฑนน์ี่เาทให้การพิปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาได้ทางด้านจิตใจคุณชัยรัตก่อ พยายามตั้งตัวให้ดีนะนี่จิตใจเลื่อนลอยดูอาการไปมานี้รู้สึกว่าเลื่อนลอยแล้วแต่เดี๋ยวไปนั่นที่ไหนเลโผล่มาที่นี่เล็บนะเล็บโผล่ไปที่หนดไปอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยแต่ไม่ใช่หาประกอบความภาคยัที่เป็นลำเป็นสังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไปวุ่นมาที่ใมาวุ่นแต่บ้านแต่ญาติแต่วงศ์ไม่ดี ควรบ้านควรเมืองควรญาติควรบ่งไม่ดีอามันเด็ดมันจริงมันจังมัยุ่งขบขัมีแล้วได้ยินข่าวกันเหมือนเดียว่าม า, น, น, มมานั้นเออมานี่เรื่อยนีไปนู่นนี่ไปนี่เอ๊ะยังไงกันเนี่ยทำให้เอกใจเหมือนกันตั้งใจออกมาบวชเพื่อปฏิบัติจริงจริงทำไมมันถึงเป็นหมือนที่เกาะความเพียรเหล่านั้นมันก็ดีเหมาะสมอยู่แล้วคนอยู่ได้สะดวกสบาย เหตุใดจึงต้องทะเลสาไหลยอยู่ไม่หยุดก็แสดงว่ามีอันหนึ่งอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจมันอยู่ไม่ได้ทำไมจะไปทำไมพอแก้รําคาแล้วนั่นเปนความเพิ่มตัวขึ้นเพื่อให้มีความรําคาเรื่อยๆได้แก้เรื่อยๆได้เพิ่มเรื่อยๆ ม, มันมีอยู่ในใจมันไม่ใช่แก้รําคานั้นมันเป็นการส่งเสริมอันหนึ่งเราจะยินมาไปทางโน้นอันนั้นก็กับไห มาทางบ้านน้องน้องไผ่เรืง่งหวดกลับนู้นกับไปน่นอ่นั้นออกจะว่านี่ของไปน่นงปโ น, น, นม่มาตันวดไปโน่นมาีนี่ทำนี่นยงนั้นหลักใจไม่ไม่ดีที่นมันเหมาะสม คำว่าเหมาะสมนี่หมายถึงไม่มีคนรบกวนวุ่นวายสถานที่ประกอบความภาคภูมิใจที่เทพดีนั่นเหมาะสมน้ําท่าก็มีส่วนอาหารการขบฉันนั้นเรามอบให้กับชาวบ้านเราเป็นพระผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วต้องทําตัวเหมือนเป็นพราที่เหลวอาหารชาวบ้านเขากินได้ทําไมเรากินไม่ได้เราก็คนคนหนึ่งนั่ น, น, นปลาพเทนต้าเสด็จออกทรมผนวช เป็นทั้งๆ ท, ที่เป็นกษัตริย์เหมาะสมกนวดในระยะนั้นไม่มีศาสนาใครจะทราบว่าการให้ทานเป็นผลดีอย่า ง, างไรไปยังไงใครจะตั้งหน้าต่างๆให้ทานตักโลกเพื่อจะได้เสเวยเพราะว่าหารอันเหมาะสมกับพระธานุและพระไทยไม่มีก็เป็นประเภทลดตัวลงมาถึงขั้นคนขอทานเราดีๆนี่จากความเป็นกษัตริย์ลงมา เขาจะได้ของดีขอ ง, งดีมาให้ฐานที่ไหนนั่นแหละคือจอมศ า, ศาสดาของเราที่จะมาเป็นคติแก่เราในการประปฏิบัติไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องลิ้นอย่าให้มันเหนื้อรำปากท้องอย่าให้เหนืธรรมอย่าให้มันแซงทำไปได้นี่คือผู้ปฏิบัติชาวบ้านเขาเกิดมาเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนไหนเกิดมาโดยสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์เหมือนกันการรับทาน การกบการฐันการรับทานมันเหมือนเหมือนกันนั่ะเป็นอาหารที่สาเร็จประโยชน์แล้วถ้าไม่ขัดกับหลัหกธรรมหลักวินัยและไม่ขัดกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งปนแล้วมันก็ควรจะรับได้พิจารณาลงไปได้ถึงเรื่องนี้เขายังรับได้แล้วทำไมรับไม่ได้ความขาดตบบกพร่องบ้างนั่นละ่ะเหมาะสำหรับกรรมาฐาน มัพอกพูพนท่วมบูนอยู่ตลอดเวลาจะทุวมปากท่วมท้องไม่ดีแถมวันต่วันต่าง น, นี่ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยเลยฝึกฝนทรมานตนในที่อัตคัดขับสนความจําเป็นยังไงไงแล้วคุณค่าขอางการฝึกฝนทรมานด้วยวิธีนั้นมีผลอย่างไรบ้างนี่ยังไม่ไเคยผ่านมาก็ไม่เห็นตั้งแต่สถานที่นี่นเลยเรียว่าเือเฟื้อแล้วอย่างขนาดอย่างวันต่อวันต่าง เราเทียบทางด้านปฏิบัติมาแล้วที่เคยปฏิบัติมาแล้วเหลือเฟือถึงไม่มีคนมาอาหารก็เหลือเฟืออยู่ใชดเราพอยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นรวมอยู่ในธรรมหมดไม่ได้มาสนใจกับเรื่องอาหารการมีพวกแม้แต่ได้ข้าวเปล่ามาก็กินอย่างสบายกินข้าวเปล่าฉันข้าวเปล่า กับฉันกลับและฉันกลับมากๆเป็นยังไงไอ้ลิ้นมันต้องการอะไรจะไม่ต้องการเพราะมีตัวกิเลสแทรกอยู่กับลิ้นลิ้นนั้นเป็นแต่เพียงไม่เห็นตัวมันมันแสดงมาทางลิ้นก็รู้ว่าตัวกิเลสเป็นยังไงมันต้องการแต่ทําไม่เป็นอย่างนั้นทาํามักจะอยากขาดแคลนเสมอยกตัวอย่างเช่นเวลาเราฉันต่งหัน ไม่มีข้าวคือไม่มีกาบนะท่านทีเข้าเปล่าๆนี่ผมนี่มันไม่ทราบว่ามันกี่สิบกี่ร้อยกี่หนข้างแหละไ ม, ไม่ไม่นับมันพันนามันเลยนี่นี่เพียงที้ปฏิวัติกับพ่อแม่ครนะูอาจารย์เราละจะไปเทียบท่านเปน็นค่าวเราเทียบแต่สิที่เราพอเห็นมานิดหน่อยนะแต่สำหรับท่านท่านมั่นอยากไปเทียบท่านเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครที่จะทุกข์ลาบากยากที่กว่าท่ทานผมว่อยากขาดเกิน เคยเล่าให้่ังแล้วพระท่านเป็นผู้เ บ, บุกเบิกที่แรกเรื่องกรรมฐานเราก็เคยิบัติวันไหนฉันถ้าเข้ากเป่ า, น, า, น, านัา่งภาวนากลางวันก็ไม่งอกไม่น่วงตัวตรงแนว่วเหมือนหัวต่อไม่เอยนไม่เอีย ง, ไ ม, ยงไม่สับประ ง, งกงงันแต่จิตแนว่วเดินจง ก, กรมก็ตัวปลิวไป อ๋อมันดีอย่างนี้มันรู้ชกทากินทัานอยู่ในขั้นยินสงบแล้วเอ้าสงบได้อย่างสบายสายมัยขั้นปัญญามันก็คล่องตัวทั้หมาเราจึงไมไ่เป็นกังวลเพราะความุ่งมุ่งทำทําดีในใจมากน้อยเพียงไรเป็นสิ่งที่เราพึงหวังอยู่แล้วก็ยิ่ง อ, อ, อิ่มยิ่งมีความพอใจในนะั้นหมุนติ้วต้วไปตามนั้น อาหารการขอการทานันมันเป็นเรื่องโลกอนิจจังอาศัยชาวบ้านเขาเขาให้อย่างนะ้กินไปตามเรื่องเทียบพอปลาหอดปิดบาตให้กับพอไปถึงถ้ปาปลาเป็นปลาดิบแล้วไม่มีญาติโยมทุกค น, นก็ต้องแล้วออกไม่กินไม่กินไม่ได้กิน น, นะนี่ภาษาทางภาคนี้เขาอยากมังแกวมาไฟมัแกวหนีอยู่หน้าศาลาเนี่ยเขาเอามาให้กิน กินได้ยังไงอมอมอ ม, อมแล้วายทิ้งเพราะไม่ได้กัปปิยะมันไฟก็อมอมอ ม, อมบ้างสักลูกสองลูกบ้างแล้วก็ไปทิ้งพอลำคานเลยนะอมเดี๋ยวมันจะลงคอไปไม่ได้กัปปิยะในป่ามันมีจิตสำคัญนะั้น แตเนี่ยเราไม่หมายถึงมันจะอุจา ก, ากขาดแกนตลอดไปบางทีมันก็มีมากบานการอยู่ในปากเลย อ, อะไรมากแล้วกินกินเห็นบางวันมันก็มีมากแต่วันเช่นนั้นเกี่ยวกับเรื่องภาว น, นานแล้วมันไม่เป็นท่า<อ>ก็รู้มันเพราะเราดูใจเราตรอลอดเวลาไปเห็นนี้จึงไม่ให้ท้องไ ม, ม่ให้หลีนมันเหนือธรรมแสงธรรม ให้ทำออกหน้าเสมออะไรสะดวกต่อทำนั่นแหละให้พยายามตามนั้นอะไรขัดต่อทำให้พยายามหักห้ามอย่าเข้ามาอย่านําเข้ามาขัดขวางทำทำจะไม่เจริญภายในใจไม่มีอะไรที่จะรักตั้งหวนยิ่งกว่าธรรมสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปกินมากอไ่ก็ได้กู อ, กาอยากอะไรเวลานี้เราจะมาสั่งสมอบรมทำให้เป็นหลักเป็นเจนขึ้นภายจิตใจเพื่อความแน่ใจเพื่อความอบอุ่น เพื่อความเป็นหลักเป็นเกณตลอดถึงเพื่อความพ้นทุกข์ภายในใจิตใจของเราด้วยธรรมไม่ใช่ด้วยอาหาร uh huh. การโขบการใช้จันจัตุปจจัยเรยทานทั้งสี่นั่นเป็นสิ่งภายนอกอาศัยกันไปช่วการช่วาเวลาเท่านั้นเราคิดไว้สมอผู้ปฏิบัติต้องคิดอย่างนั้นยางที่ไหนคนไม่รบกวนนั่นเหี่ย ยิ่งขงัดเท่าไหร่มันก็ยิ่งจิตมันยิ่งเห็นตัวเด่นเด่นเด่นเด่นเหมือนกับว่าเสียงเสียงแห่งความส้างัดนี่เหมือนกับมันมีเสียงเหมือนกันนะคือไม่มีเสียงใดปรากฏเงียบซะจริงๆภายนอกมันก็เงียบแล้วภายในจิตก็เงียบของตัวเองไม่มีอารมณ์อะไรกวรใจเลยจริ้งมือนเหมือนกับว่าเป็นเสียงสะท้านอยู่ด้วยความเงียบอีกแหละคือมันเด่นความรู้มันเด่น เหมือนกับว่าครอบโลกธาตุจริงเป็นเหมือนกับว่าเสียงกลางวันอยู่ด้วยความเด่นความเด่นนี้เหมือนกับส่งเสียงกลางวันอยู่ครอบโลกธาตุเราอยากจะพูดอย่างนั้นแต่มันก็มีเสียงอหากจะพูดอย่างนั้นคือมันความรู้นี่มันเด่นยิ่งพิจารณาไปจิตมีความที่จะเป็นสิ่งที่อจจจัศจรรย์เป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นที่อบอุ่นใจนอกจากความที่เด่น<า>เด่นอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้กรวมตัวตรงนี้หมด แวลามันมันเต็นที่มันแล้วก็เหมือนโลกไม่มีหายงะหมดเหลือจจแต่สักแตรู้ที่เป็นของของอัจฉริย์อยู่เท่านั้นรู้อันนั้นเป็นเรื่องรู้อัจฉริ์มากทีเดียวนราตกฏเหมือนโลกนี้ทั้งโลกนี้ไม่มีเลยเพราะอะไรจริงไม่มีเพราะความรู้นี้ไม่ไปพาดพิงกับสิ่งใดพอแต่เป็นเรื่องขึ้นมาว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีเนื่องจากอาการของจิตเท่านั้นไปก่อเรื่องขึ้นมา ทั้งๆจริงๆนั้นเขาก็มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของเขาแต่เขาไ ม, ม่มายุ่งกับเราความรู้ของเราจิตนี่แหละกระแสของจิตหักไปคิดไปพลาดพิง้งแล้วก็ปรุงไปแต่งว่านั้นมีอันนี้มีอันนั้นดีอย่างั้นอันนี้ชั่วอย่างนี้ไป เ, เฉยๆพอตัวนั้นย้อนเข้ามาสู่องค์แห่งความรู้จริงๆแล้วไม่ไม่มีกระแสคือไม่ไม่มีอาการออกไปสู่ภายนอกแล้วมันก็เหมือนว่าโลกนี้ไม่มี เมื่อสุดท้ายก็เพื่อมันไม่มีในจิตนั่นเองโลกถึงไม่มีถ้าจิตมีทั้นเป็นทัญญารล์กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีมีอยู่ในจิตอีกสิ่งนั้นธรรมดาก็มีอยู่ตามพยาภาพของโน้นแต่มันมามีในจิตเพราะอารมณ์ของจิตนี่นเองจิตจะเป็นอารมณ์นาอารมณ์นั้นเข้ามาสู่จิตก็เหมือนกับมีอย่างนั้นนั้นเราดูที่ปกตินีดด่จิตเราอยู่เฉยๆเมื่อไหร่มันไม่ได้อยู่เฉยนะมันอยู่กับเรื่องนะเอือรู้อยู่เฉยเป็นอันเดียวนี่มีเมื่อไหร่ อยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ขันอันนี้แหละมันปรุงทั้งขันขันเนี่ยสัญญาขันนี่สําคัญมากทีเดียวมันปรุงมันแต่งให้อยู่กับเรื่องกับราเหล่านั้นนอยู่กับมโนภาพเหมือนกับเด็กอยู่กับตุ๊กตาถ้ามันมีเครื่องเล่นมันอยู่ไม่ได้ต้องอยู่กับตุ๊กตาเด็กเครื่องเล่นของเด็กเด็กต้องจะอยู่นี่จิตเรามันก็อยู่กับเรื่องราเหล่านี้นี่เราพลิกนั้น ถ้าอยู่กับเรื่องก็ให้เรื่องทำนั่นเวลาอาการของนะกรือาการของจิตแสดงออกเพื่อทํางานโดยการคิดอ่านไต่ตรองอะไรนี้ให้เป็นเรื่องอันนี้เรียกว่าเรื่องเรื่องทำนอกจากนั้นเข้าสู่ความสงบตัวเองก็ไม่มีอะไรแม้จะไม่สงบจนปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ยังพาะตัวคือไม่ส่งประยุกต์รู้อยู่ในวงขันนี้รู้ตัวอยู่ในวงขัง น, นี้ ก็ยังดีไม่เกิดเรื่องสังขารขันนั่นแหละตัวก่อเรื่องสัญญาขันละเอียดมากเราพิจารณาให้ะละเอียดถึงจะทราบว่าอ่ะสัญญาขันนี้ละเอียดมากที่สุดมันมันซึมอย่างเดยวจะไม่รู้สึกสังขารขันนี่มันยังมีแยกใรู้ด้วยแต่สัญญาขันนี่ไม่แยกเลยค่อยซึมออกไปให้รู้ ใซึมออกัากิตนี่นี่ถ้าสติปัญญาพอมันละเียดขนาดไหนมันก็ทนสติปัญญานี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงเหนือกิเลสทุกประเภทและห้ามหันกระดงให้ราบได้ทีเดียวไม่ต้องสงสัยเรีานจิตนี่ยสําขัญปฏิบัติตั ว, ต ว, ตวเองงานนี้เป็นงานใหญ่โตมากสำหรับผูบ้ที่จะ รูอ้ถอนออกจากตอนออกจากทุกข์จึงไม่ต้องเสียดายอะไรงานใดทั้งนั้นไม่เสียดายอะไรในโลกนี้อะไรเข้ามาผ่านถึงจะเป็นความอยากความต้องการอะไรต้องฝืนฟาดฟันกันหัน่นแหลกันไปเลยเราจะคลอยตามไม่ได้พอคล้อยตามก็เป็นการส่งเสงีิเกิเลสให้มีกําลังขึ้นทันทีด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องหกักห้ามต้านทานฟาดฟันกันลงด้วยสติปัญญา นั่นแหละเป็นทางแห่งความปลอดภัยด้วยเป็นทางแห่งการถ อ, อนแก่กิเลสด้วยขั้นมันลำบากก็คือขั้นยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นี่เนี่ยความสงบของจิตพื้นฐานของความสงบของจิตพอที่เป็นที่อยู่ให้สะดวกสบายเป็นที่อบอุ่นมันไม่มีถ้าว่าทาการค้าเขาเรียกว่าเอากำปั้นค้าด้วยคปั้น มันไม่มีต้นทุนอันนี้ลำบากลำบากก็ทนใครๆไม่ได้หากมาผลนิพานมาตั้งแต่วันแรกเปิดมีที่เด็เต็มตัวมาด้วยกันแต่เมื่ออาศัยความพยายามแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจากงานของเราเราทํางานอะไรผลก็ปรากฏขึ้นมานี่ทางานทางด้านจิตภาวนาผลก็ก็ปรากฏขึ้นมาสําคัญที่ความเอาจินเอาจังความอดความทนความขยันหมั่นเพียร หาบาปพลิกแาลงจิตใจที่เป็นเพราะด้วยกิเลสอยู่เสมอเรื่องของอกิเลสนั้นะมันถือจิตนั้นเป็นเหมือนลูกฟุตบอลนั่ น, นแหละอถีบมันเตะตลเวลาเพราะฉะนั้นจิตจิ้งจิ้งไปจิ้งมาคจิ้งไปอารมณ์นั้นจิ้งมาอารมณ์นี้ธรงค่าจะติปัญญาหาักห้างกันฟาดฟันกันทุกข์ก็ลำลำบากก็ทนเอา ใครก็เป็นทุกเหมือนกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกเราก็ถ้าประวัติของท่านนํามาสอนตนดิเราจะฟังเฉยๆอ่านเฉยๆทาไมเกิดประโยชน์อะไรอ่านเฉยๆไม่เกิดประโยชน์มันต้องนําเข้ามากรองมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์พระพุทธเจ้าทรงสรุปถึงสามหงนั่นฟังดิถ้าว่าไม่ฟื้นก็เรียกว่าตายไปเลย ทำไมต้นเหตุคืออะไรก็คือความเพียงเป็นต้นเหตุความเพียงหักโหมก็ต้องถึงขั้นจะหลบไม่ทุกถึงข่าสลบจะสลบได้หรือคนหละบภาษาโว้ก็เหมือนกันบางองค์ก็ทำง่ายแต่เวลาท่านลำบากเราไม่ได้คิดทั้งท่านเรื่องอดีตทั้งท่านมีด้วยกันทุกองนั่นแหละชาติปจุบันท่านสะดวกชาติอดีตท่านก็ต้องสมุบันมาแทบล้มแทบตา ย, ตาย นระองค์ก็นปัจจุบันก็ลําบากเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกพระองค์ก็จักษุแตกนี่ถ้าใช้ความเพียรจะได้ถึง้าจากกูบาลท่านไม่นอ น, น, น, อนกับความเพียรเอในขณะที่ไม่นอนดังไม่แรงยังต้องประกอบความเพียร เ, เพราะที่ไม่นอนไม่นอนเพื่อจะทําความเพียรจนจักษุแตกพอจักษุบอดปับ๊บ ตาในก็สว่างจ้าเนี่ยท่านทุกไหมเราพิจารณี่เราต้องหาสิ่งเด็ดๆอย่างนี้เข้ามาดักกิเลสของเราเมือ่อกิเลสเรามันผ่าผลก็ต้องหาทำอันเด็ดๆเดดข้ามาดักเพรงั้นไม่ทันกันต้องหาอุบายพลิกแปลงเงปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกิเลสกับปัญญานี่พอพัดพอเหบี่ยงกันปล่อยตามกิเลสแล้วเอาเธอ อยู่ไหนก็ได้ไม่ได้เหลือลมเพะนั้นแต่จะเหลืองห้องพิเลธหาพิเลธนั่งหาพิเลธนอนหาพิเลธมันทับหัวอยู่ตลอด่ะขั้นเริ่มแรกต้องเอาให้หนั ก, นกบ้างเป็นธรมรมดานี่พอจิตมีรากมีฐานเป็นความมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตัเองหรือ ว, ว่ามีฐานแห่งความสงบให้เห็นชัดเจนภายในจิตแล้วนั่นคันนั้นค่อยสบายจิตใจก็เหมุ่่่งสั่งบุ่นวายก่อขวัตัวเองเพราะอารมณ์ต่างๆมากนัก ค่อยเบาลงเบาลงนั่นเห็นความสุขจากการปฏิบัติอ๋อการปฏิบัติได้ผลอย่างนี้ก็รู้และวทีนเมื่อกินไม่วุ่นแล้วก็มีแต่งานเราที่จะจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนักหน้ากังไปเลื่อยๆเลยจิตก็เป็นนับวันสร้างฐานแห่งความสงบมั่นคงแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆเลยอันนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาตามการควรเพราะสมาธิทุกขั้นเป็นบาตร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 บุงขึ้นมาเพื่อสติปัญญาจะระยึดถือประโยชน์จะคลี่คลายตามสิ่งที่สังขารปรุมขึ้นมาก็เป็นธรรมขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวนั่นแหละผักน้ำสาพยายามยาลดละความภาพเยี่ยงแต่เห็นอะไรดียิ่งกว่างานที่กำลังทำอยูน่นี้อย่าเห็นผลอะไรดีเยี่ยมยิ่งกว่าผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของเรานี้ นี่เป็นผลที่เลิศประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐเพราะผลอันนี้เพราะความเพียรท่านประเสริฐพระสาวกอรหรันอรหันตั้งหลายท่านประเสริฐเพราะทำดวงนี้เป็นผลด้วยเกิดซึ่งเนื่องมาจากเหตุที่ท่านพ ย, ยายามเป็มพัศน์กำลังความสามารถเราอยากลดละความท้อเกียร์มามาไม่ก็ให้ดูกันให้คนเบา โหเร็วเดี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำแต่จะไปรวดเร็วไปกับโลกยิ่งกว่มังกี้ยิงกว่าลิงนะไม่ได้นะะเรื่องอัดเรื่องทำฟังให้ดีพิิจพิจารณาให้เข้าออกเข้าใจเดีมาสนใจกับเรื่องความดุดาา่าว่ากล่าวของผมว่าเป็นคําดุอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดผมไม่เคยเป็นความดุดพานจิตใจต่อท่านทั้หลาย นอกจากพูดออกมาโดยเหตุด้วยผลหนักเปรอมากน้อยตามเหตุการณ์เท่านั้นผูกลัวไม่มีเหตุมีผลผมก็ไม่ชมเชยกล้าแบบหน้าด้านก็ไม่ชมเชยกลัวแบบตัวสัน่นไปไม่มีเหตุมีผลก็ไม่มีทางชมเยชยเช่นเดียวเราต้องการเหตุผลกลัวด้วยเหตุด้วยผลกล้าด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นเป็นธรรม เชื่อว่าผู้นั้นเดินตามธรรมปฏิบัติตามธรรมยึดธรรมเป็นหลักใจกล้าก็กล้าไปตามนั้นกลัวก็กลัวไปตามนั้นถูกต้องยนาประการสุดท้ายเรื่องอาหารพระมามา้าให้ต่างองค์ต่างเวลานำอาหารออกไปจากนี้ถ้าจะไปเที่ยวดูบาทกศาก่อนก็ได้บาศไหนบกพ่องให้ตกกากเพิ่มเพิ่ม การแจกอาหารผมเคยพูดเสมอพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ต, ไแ ต, แต่แต่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมาเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่าว่ามาพูดเวลาสร้างวัดป่าบรรดานี้เลยที่อื่ น, นที่ไหนก็พูดอย่างนั้นปฏิบัติมาอย่างนั้นลิ้นปากเป็นของเสมอต่างมีความจําเป็นเท่ากันตั้งแต่เนนองค์สุดท้ายขึ้นมาถึงพระเถระทิ้งเหล่านี้มีความจําเป็นเท่าเทียมกันจะถือว่าผู้ใดสูงต่ํากันไม่ได้ เราคิดเห็นเหตุผลอัง น, นี้เพราะฉะนั้นการเวลาแจกกาาระสานจึงต้องให้สม่ำเสมอแจกมาตั้งแต่ทางนู้นมาถึงทางนี้แจกทางนี้ไปถึงทางน้นแจกประสานกันนอกจากนั้นแล้วยังต้องให้ดูบาดบาดไหนบกพร่องให้เพิ่มเว้นแต่เจ้าตัวไม่เอานั่นเป็นอีกอย่างถ้าเป็นไปโดยลำพังของผู้แจกผู้แจกต้องรอบคอบให้รอบครอบทุกคนยาสัพต่วาแจกให้ดูบาดด้วย แล้วอาหารท่านเคยวางยังไงนี่ยังไงเท่จุลสี่จุห้าก็ไม่ใช่ปัญญาท่านเคยวางอาหารไว้ยังไงวางคาวไว้เช่นไรอ่ะบาทลูกนั่นลูกนั้นท่านเคยวางคาไว้อย่างไงวางหวานไว้อยังไงดูอันนั้นเป็นแแบบฉบับ hmm. หรือพูดเป็นครั้งแรกพูดอันนั้นวางลงไปยังไงผู้ที่สองก็ดูตามนั้นจึงชื่อว่ามีใช้สติใช้ปัญญาไม่ศักแต่ว่า เทปุ่วเทปุ่วเทป่วเทป่วไปนันใช้ไม่ได้เลยทั้งขาดสติปรรัญญาทั้งขาดความเคารพ<ม>นอกจะขาดความราอบครอบแล้วยังขาดความพรพต่อกันอีก <c oughs> ไม่หี <c oughs> ความเสมอภาค ความสม่ำเสมอด้วยกันทุกองเกี่ยวกับเรื่องการควบการถันการใช้สอยต่างๆในจตุ ป, ปัจจัยทายฐานที่ได้มานั่ น, นแหละคือความเป็นธรรมสม่ำเสมอใครมันมีอะไรเอาอาหารการควบฉันแจกแจกให้ดีดูให้ละเอียดแลออยาสักแต่ว่าแจกให้ทุกคนคิดด้วยใช้ความคิดด้วยกันผู้คิดคิดผู้ไม่คิดมีอยู่เยอะ ผู้ไม่คิดนั่นแหละมันทำให้บกพร่องทำให้ไม่สมัำเสมอทำให้เสียดายคือความไม่คิดความคิดทุกอย่างดีธรรยญาอธิบาย